สิกขาบทวิพังหนึ่งพันาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าพิกชณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษชนีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามีปัรหาครบ12แล้วคือมีปัรหาถึงสิสอง ที่ชื่อว่ายังไม่ได้สมมุติคือสงยังไม่ได้ให้วุฒาปณ ะ, ะสมมุติด้วยยติทุติยกรรมวาจาคำว่าบวชให้กุลธิดาคืออุปสมบทให้กุลธิดาภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาหรือจีวรหรือสมมติสีมาต้องอะบาดทุกฎจบยติต้องอะบาดทุ ก, ก ฎ, จ บ, บกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอะบัดทุ ก, กฎสองตัว จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัติปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัติทุกกด